ตกันอยากบอกให้ดูให้เห็นหลวงปู่เทียนสอนให้มีสติสัมปชัญญะโดยการสร้างจังหวะสิบสี่จังหว ะ, วะแล้วทำดูแล้วก็อยากบอกอยากสอนให้อยากชวนให้ทำดู ให้สัมปัดดูพ่อเทียนสอนให้เรารู้จากรูรทมนามทมก็อยากสอนให้พวกเรามารู้จากรูรทมนามทรมัมรนมีค่าเป็นรสชาติของชีวิตเสมือนเราได้กินอาหารดีๆก็คิดถึงญาติเพี่น้อง บทพัญยาสามีของตนจากเอาไปฝากห้องผู้เทียนสอนเราให้เห็นความคิดที่มันลักคิดมีสติมันเกิดรสชาติตรงนั่นอีกมั้นเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติมันมั่นใจก็อยากบอกอยากสอนคนอื่นให้เห็นเรื่องนี้กันบ้าง จริงเรานี้ไม่ไม่ไม่ไม่เป็นเป็นของเอาไปฝากกันเป็นการชวนให้ทำจึงจะพบเห็นสิ่เหล่านี้ได้ให้เหมือนอาหารดีๆนำไปฝากกันของฝากอันนั้นก็ทำได้แต่ว่าเรื่องนี้มันทำไมได้ก็มีวิธีเดียวคือจะต้องมาอยู่ในสภาพอย่างนี้มา ทำอย่างนี้นมีผพู้พูดท่าฟังมี่พูดทำมันจะเกิดขึ้นอะไรก็ตามเถอะถ้าเรามีสติเนี่ยจะเป็นความยากก็ช่างหัวมันถ้าเรามีสติจะเป็นความง่ายก็ช่างมันถ้าเรามีสติเป็นความสุขความทุกข์ความรูความหลงช่างหัวมันจะเป็นความยากจน มั่งมีอะไรก็ตามช่างหัวมันว่าแต่เราไม่สติหรือจะเปรียบเหมือนว่าถ้าเราขยันเงินเพียนจะจนช่างหัวมันจะรวยช่างหัวมันไม่ต้องกลัวถ้าเราขยันเงินเพียนไม่จะลุยจะร้ายมีความเห็นชอบตั้งใจชอบเพียนชอบเลือกชอบทำงานชอบ จะเป็นเรื่องใดก็าตามมันก็มีหลักอยู่ตรงนี้คือเรานี่เคยสตรสำเร็จเป็นหลักถูกต้องเน้นเราสวดไม่จีเนี่ยการามชนในหบู่บ้านการามชนนี้เป็นทางผ่านของนักสอนศาสนาผูทสก็ไปที่นั่นกูกคจกจายนะอาอธิกกํมพล สนชัยรัตบุตรอาจารย์ทิศาปรมโธดผ่านบ้านตรงนี้เพราะเป็นทางผ่านของนักศึษาศาสนาสมัยต้นๆที่พระพุทธเจ้าก็เคยไปผ่านทางนี้หมู่บ้านพวกการามชนก็มาหาพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นครูคนสุดท้ายครูทั้งหกเกิดก่อนพระพุทธเจ้าของเรา ล้วก็สอนกันอยู่แล้วท้าวเจ้าเดินผ่านไปก็ไปสนอนตอมาธิมีความเพียรชอบความลึกคบตังใจชอ บ, ช อ, บอะไรต่างๆพวกหมู่บ้านกะลาเมชจนมาฟังก็โวยวายขึ้นก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อใครดี อาจารย์ที่สามโม่ก็สอนอย่างนี้อาจารย์สนใจวัดตบูตก็สอนอย่างนี้อธิการกรปนก็สอนอย่างนี้กุกุจะก่อใจละก็สอนอย่างนี้ท่านมาก็มาสอนอย่างนี้จะให้เราเชื่อใครเจ้าก็ตัดอยเชื่อขึ้นสิบอย่างอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยเราเชื่อใครล่ะ เชื่อการกระทำของเราเรามีสติมันเป็นยังไงแล้วความหลงมันเป็นยังไงมีสติจะทุกข์ก็ช่างของมันเป็นอย่างนั้นมีสติจะสุกขก็ช่างมันมันจะดึงนะทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยอันนี้ไม่ต้องมาเชื่ออะไรกันทำดูเอาไปทำดูเอาไปประกอบดู เราหิวข้าวเราต้องกินข้าวขณะที่กินข้าวอยู่นั่นนะ่ะจะอิ่มก็ช่างของมันจะไม่อิ่มช่างหองมันเราเชี่ยวอาหารเกินลงไปทุกคำทุกคำก็อิอ่มจะต้องถามใครไหมถ้าอิ่มแล้วไม่ต้องมีคำถามถ้าเราเชี่ยวอาหารเกินไป แต่อย่าไปคิดว่าอันนี้อร่อยอันนี้ไม่อร่อยอันนี้ชอบเอาความหิวพาให้กินเอาความหิวพาให้กินอาจจะไม่ย่อย <c oughs> อาหารอาจจะไม่ย่อยเพราะอารมณ์มันมันเข้าไปอยู่ในกระเพาะอาหารก่อนหรืออาจจะไม่กินไม่ได้ จะไหมเป็นเด็กเลี้ยงควายชื่อว่าไอเต็มหิวข้ามาไม่ห่อข้าวไปเลี้ยงควายกลับมาบ้านหิวข้าวลองไห้เวลากินข้าวถือค้อนไว้จะมาควนนะ <c oughs> ถือค้อนเลยโกรธเวลากินข้าวห้ามใครมากวนห้ามใครมารบกวนเพราะเขาหิวความหิวก่อทำให้เกิดศึกสงครามได้หิวหึงห่วง สามหอ เ, เกิดสงครามได้เพราะนี่ถ้าเรามีสติเนี่ยวันใจเป็นยังไงเราจรึงเข้ามาใช่เอาความเหนวความเย็นแล้วมีสติอย่างพระฉันจะไม่เป็นไปเพื่อความเพื่อเปินสนุกสนานอะไรต่างๆที่พระท่านฉันพิจารณาก่อนพิจารณาแล้วจึงเสพของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วจึงเว้นของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วจึง p o r t f o ของอย่างนั้นการย่อยการเที่ยวชีวิตเราต้องขอบต้องเที่ยวการที่ขบเที่ยวคืออะไรคือสติสัมปชัญญะมันจะต้องเที่ยวเรารู้สึกก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดมันกรอกดีแล้วนั่นก็ใช้ประโยชน์ได้ กาพูดก็ใชได้ความคิดก็ใชได้การกระทำก็ใช่ได้ถ้าเราขาดสติมันก็หลุดไปแล้วผิดทำผิดคิดผิดไปแล้วนี่แหละคือกรร ม, มฐานเราจะต้องมาฝึกขัดกันคำถามต่างๆอาจจะไม่มีแม้มันเกิดขึ้น่องะที่เราปฏิบัติทำดีแลิศสติ มันเห็นโน่นเห็นนี่มันยากมันง่ายจะทำยังไงจะทำยังไงไม่เป็นไรถ้าเรามีสติช่างของมันมันยากช่้างของมันมันง่ายช่้างของมันมันผิดสร้างของมันมันถูกช่้างของมันเราลู้ไปรูบไปมันเฉลยเองปัญหาต่างๆมันจะเฉลยเองนั้นเราเดินทาง เห็นลองตาพวกอวาเนี่ยลองตาก็เป็นนักเดินทางทำไมเป็นหนุ่มเพราะไม่มีรถมีเรือเกี่ยวข้องกับพี่น้องญาติพี่น้องจากแจ้งข้อไปขอนเจน่นหลายก้กโมเมื่อไรจะถึงอะไรจะถึงไม่ต้องไปคิดมันเตืนไว้เรื่อย re. เดินเหนื่อยก็ช่างของมันร้อนก็ช่างของมันปวดเท้าปวดฝ่าเท้าช่างของมันสมัยก่อนเขาไม่ใสร่รองเท้านะเดินกระทางดินทรายบ้างร้อนบ้างแดดบ้างต้องก็ยกกเยกเข้าไปในตรงไหนที่มีหญ้าพอลองฝ่าเท้าเหยียบไปถ้าเหยียบดินทรายเนี่ยมันมันร้อนมาก ปลาเท่าก็บวมแดงแต่ว่าสมัยปลาเท่ามัน ก, ก็พัฒนาตัวมันวันเดินหลายวันหลายวันมันก็ดาดขึ้นมาไม่มีรองเท่าหรอกสมัยโบราณตั้งแต่สี่สิบห้าสิบปีไปเวลาไปป่าน้นาลเร่งหัวเร่งหัวไปตัด แต่ไม่มาพายาาเอาต้นหนามด้วยไม่มีรองเท้าใส่เหยียบไปเพราะมันป่าเท่ามันหนาเหยียบก็ไม่เหยียบน้หาหักคาให้รูจะเก็บมันก็พัฒนาตัวมันอะไรก็ตามมันเป็นทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดแต่เหตุจะดับเพรีเหตุของมันไปพันปรับตัวของมันไปเองถ้าเรามีสตินะ ถ้าเป็นความรู้จึกตัวความถูกต้องก็มาเป็นพวงจนไปเองถ้ามีความหลงความไม่ถูกต้องก็มาเองเป็นพวงเหมือนกันเราไม่ใช่ว่าจะไปตะกบตะจิตตรงนั้นตรงนี้โบรานท่านว่าหรือครับานาสอนนักสอนครูสอนว่าเหมือนจะปูใส่กระดุงเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้อง เวลาเราเจนสติมันหลงยากหรือมันหลงไปตะคุกความหลงลแล้วเรามีสติมันคิดไปไปตะคุกความคิดเลยมันยากอย่างนั้นเลยไม่ใช่อย่าไปทาแบบนั้นไปไล่ความคิดไปห้ามไม่มันคิดเอาผิดเอาถูกกับการกระทำของตอนเองไม่ใช่เลยไม่ใช่จับปูเสบกระดง้ง มันมาเป็นพวงมันผิดแล้วก็รู้สึกตัวมันจะถูกควมผิดทำไมถูกได้ควมทุกขําำไมรู้ได้จริงเป็นเรื่องที่ง่ายเป็นเรื่องสะดวกกว่าการกระทำอื่นใดการเจริญสติเนี่ยบางทีเราก็ไปออกไปข้างนอกกันไปเรื่องอย่างนี้มันเกิดกับใครเกิดกับเราเองไม่ใช่ไปใครบังสน จบกินเขาผิดเขาถูกกับผู้กับคนมากใครทำอะไรเขานั่นผิดเขานี่ถูกเราชอบคนนั้นเราไม่ชอบคนนี้เลือกบ้าสมัยก่อนไปอยู่กับหลวงปู่เทียนนี่ยพระครูอาจารย์ท่านอยู่ก่อนแล้วก็ดูดูพระแล้วก็ไม่ชอบ ดูใครเราไม่ชอบเปรียบเทียบท่านแม่พระเราเป็นโยมเนี่ยสู้เราไม่ได้เลยคิดไปเลยอันนี้บ้าบวไป อ, อุปทานสำคัญว่าเลดีกว่าเขาเขาเลวกว่าเราเปรียบเทียบเอาผิดเอาถูกขณะที่ไปอยู่กับหลวงปู่เทียนทอนเป็นผู้สอนเราก็มีบางข้างบางข่าวแต่การกระทำคนราอย่างกัน เรเป็นบ้าเอาปิดเอาถูกกับเรียงนั่นเรื่องนี้กาติดังนี้ดีกาติลังนี้ไม่ดีคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีอะไรก็เลือกเอาดีเอาไม่ดีมันก็อยู่แบบนั้นก็จริงเหล่านั้นแหะมันทาให้เราบุกเบิกผ่านไปลุดออกไป หลวงปู่เทียนสอนเรามีสติเอาเดินอยู่นี่มีสติเอาอะไรไมาคิดเรานั่งยกมือรู้สึกตัวโอโ้มารู้สึกตัวเนึ่งเสียเวลาประกับความคิดทนะ้าผิดทาถูกกับจังเกิลคนเด่นงั้นบางทีหลวงปู่เทียนไม่ได้อยู่ให้อุ่นใจอ้าวหลวงปู่เทียนช่วยเราได้แหละอดีสมัยก่อน่ะ จ่ตามหลวงเทียนไปก็ไม่มีปัญญาค่ารถค่าเหลือไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีปัจจัยจะเป็นต้องรับกรรมตกอยู่ที่นั่นก็ต้องอยู่ที่นั่นอดจากก็อยู่ที่นั่ น, อ ด, กก อ, น, นอดจนกินผงหนกกับน้ำพริกสกัก่อนขีน้อย <c oughs> อาจารย์สมัยทีเลย <c oughs> ชื่นใจ ไปกันเหี่ยวข้าเอาผงหนอกมาจิ้มน้าพริกเอาผงหนอกวมาจิ้มน้าอ้อยอิ่มเหมือนกินข้าเลย เ, ลยเป็นกระมังกระมังเลยเอย้เราไปดูเราไปอยู่ใต้วันแนวอาจารย์ที่ดังดังดังอยู่ไต้วันะที่เป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์าายเยอะแยะนวประวัติของท่านท่านไปอยู่ในถ้าไม่กินอาหารหลายเดือน ก็เลยดังขึ้นมาเราไปดูว่าตรงที่ท่านอยู่นะ่ะไม่ท้ำเล็กๆบริเวณถ้ำมันก็มีน้ำซับน้ำซึมผักหนกเต็นไปหมดเลยงามด้วยโอ้ยท่านอาจจะกินผักหนกเนี่ยเราเคยกินผักหนกด้วยมืนกันอยู่ได้น ะ, ะนนเนี่ยทยํายากความจนทำเราเฉลิมแฉงได้เพราะประสบการณ์ การปฏิบัติก็เหมือนกันความทุกข์ความยากก็เหมือนกันน่ะความสะดวกก็เหมือนกันอย่าไปจะไปเอาผิดเอาถูกไปหาไอ้เป็นใหญ่กลัวลุกควงโลชั่งตัวจะเริ่มรวยก็ช่างหัวมันว่าจะเรามีสติแต่ทุกจนช่างหัวมันถ้าเรามีสติจะยากจะง่ายแยกหัวมันถ้าเรามีสติอะไรก็ตามลุยตรงนี้ด้วย เขาจะนินทาเขาสั่นเิญจะได้จะเสียอะไรก็ตามทั้งหมดมันถ้ามีสติไปเลยผ่านไปเลยใช้สตินี่ไปเลยสติมันใช้ได้ทุกกรณีไอ้ใช่เฉพาะมายก ม, มือช่างจะว่กับเดินยกกลมมัใช้ตัวนใช้ทุกอย่างภายนอกภายในก่อนพูดก่อนทาก่อนคิดขณะที่พูกระที่ทํคการที่คิดในตัวเรา เราเห็นลูกทั้งปาทั้งหูได้ยินเสียงแต่งหูได้ยินใช่ไปเลยรู้สึกตัวมันกว้างใหญ่ไพศาลโลบรอ บ, อบหน้าโลบผู้ที่มีหน้าโลบถ้ามันเป็นหน้าโลบได้นะึกว่าพระขีณาสกได้ขีณาสกคือพระหลานนะผู้มีสติเป็นหน้าโลบอ๋นะโลอบ าอาเธอะไรจะมาในโลกเนี่ยก็มีหน้าโลกรูได้ขนาดจนเจ่งแค่เจ่งกาสามารถถ้ามันออกไปทางนี้ไปแล้วเห็นกายจัวกายเวทนาจัวเวทนาเห็นจิตจัวจิตเห็นธรรมจววธรรมไปแล้วนืไปแล้วนื้อในกายไปแล้วหนื้อในตัวในตนไปแล้วไม่มีตัวมมีตนในกายในเวทนาในจิตในธรรม ออกไปแล้วเมื่เราปล่อยโคมขึ้นทงฟ้าออกไปแล้วรลุดมือไปแล้วปีหนึ่งที่วันผู่ข้าทองปล่อยโคมลมไปตกอยู่ไม่ห้องสอนขงเขาเขียนมีหนังสือผู้ดูผู้เป็นไปด้วย้ <c oughs> าก็ติดใจกับครอบใหญ่อาจารย์ลองขานทำ เราจหนหมายต่อมาโอ้มันออกนอกไปถ้ามันเป็นวัตถุ ก, ก็ไปตกได้ถ้าเป็นดังมาทำไม่ไม่ลงตรงไหนแล้วเหนือโลกไปเลยหนือการเกิดเจเ็บเจ็บตายมันออกไปแล้วออกไปตตัแต่กายเชื้อจักรวกราิไม่ใช่สัตว์ปกนตัวตนเราเขา เวทานาก็ศักเวทานาไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเราเขาจิตที่มันคิดสุขทุกข์ไม่ใช่สัตว์ปกววุ ก, ไปกลไม่ใช่ตัวตนเราเขาทม<ำ>ที่มันเป็นคู่กับจิตใจคู่กับตากับหูคู่กับจมูกลล่นนอตอาไต่างๆที่มันเกิดทำขณะที่มันสัมผัส เป็นความรักความชังเป็นความดีใจเสียใจเป็นความรู้ความหลงช่างหม้อมันสักว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราออกไปแล้วออกนอกไปแล้วออกนอกโลกคือกายมันก้องสอกยาวานาะเคลือบมีสัญญาคือจิตใจเนะือไปแล้วรูปนามรูปนามเนี่ยมันเกิดมันแกมันเจิดมันตายเราใช่นามหรือเข้ามาใช่แล้ว นามมาทํามาให้เรารับใช้ไม่ใช่นามมาทําใช่เราอาศัยไม่ได้แต่ว่าเป็นเป็นนายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตเป็นนายกายเป็นเรือสติเป็นาาป น, นางเสือปัญญาเป็นผู้พายแม่เป็นนายนายแบบปลาเถื่อนก็ไม่เอาจริงๆแล้วทิ้งหมดเลยเหนือการกระจายตาว คืออะไรคื อ, อยานทัศน์เกิดจากการเจริญสติไม่ใช่เกิดจากอะไรที่มีลิทธิปฏิหารเลยเกิดจากเราไม่สติมันเกิดเป็นยานเกิดมันรู้ตัวหนึ่รู้ตัวนี่งรู้ตัวนึ่ขนส่งถ้ารู้แล้วขนส่งรู้ทุกพ้นทุกรู้ผิดพ้นผิดรู้สุขพ้นสุขรู้อะไรก็จะขนส่งแบบลักษณะขนส่งแบบนี้เป็นจิตเลย เป็นนามมาทาเลยไม่ใช่เป็นเป็นตัวรู้เป็นตัวอยา่างนะมันเห็นไม่ใช่ไปจับเอาปะปะ ม, มเพนจิตนิง่งไม่วันไว้อะไรอันนนไม่ไม่ไม่ก็ถูกอะ ถ, ถูกแบบนั่นแหละแต่ถ้าไม่รู้อะไรไม่รู้เนี่ยมันไม่ได้เวลาปฏิบัติทามันจะนั่งจงไม่ต้องรู้อะไรเลยอันนั้นถูกแบบนั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้า น, น, นั่งเสืยอนอนหนามไม่นุ่งพ้าอะไรเขามีมาแล้วเก่งที่สุดเลยบวชกันเรื่องดังนั้นไปนิลริทิปฏิหารยงคงกระพันล้วไปคิดจากนั้นอันนั้นทำได้เป็นบางคนแต่ไม่ใช่สากคนแต่ความรู้สึกตัวทุกคนทำได้ปฏิปิดได้ ถ้าทำแบบไม่นอนเลยสามสิบปีแล้วไม่นอนเลยก็ทําได้บางคนแต่เอาเจงเรื่องนั้นเดือก็เจงเรื่งนั้นเรื่องเดียวมันต้องเป็นผู้มีสติอีกเหนือบันอีกนอนนี่ไม่ถูกไม่นอนถูกกว่าไม่กินข้าวถูกกินข้าวไปถูกก็ไม่ใช่ ถ้า จ, จะทำคือภาวะเรื่องความรู้ตัวมันจะมันจะพากออกไปเลยไม่ต้องไปจัดสันเรื่องนั้นมันจะค่อยเป็นไปเช่นตาไม่เป็นใหญ่หูไม่เป็นใหญ่จะบูกดิ้งกายใจเป็นใหญ่เมื่อพิเศษตีแล้วชาติมันเป็นใหญ่กว่าอาชีลเร่นั่นเป็นใหญ่เลยนี่คือคือของจริงหละเอ้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 ไม่ใช่จ้องมาใช่เป็นอยอมเฝ้าใช่ความรู้สึกตัวสิทธิร้อยปเปอรเซ็นมีให้เราใช้ไม่ได้หาทันทีเลยยกมือขึ้นพลิกมือขึ้นรู้เด้ทันทีไม่ต้องสร้างแต่ถ้าเราใช่เอาไปต่อกายไปต่ อ, อจิตใจไปต่อไม่ได้สรางอยู่ในจิตก็มีสติอยู่ในกายก็มีสติ ยู่ตาก็มีสติอยู่ในหูหรูบรถจินเสียงมีสติทั้งนั้นไม่ใช่ตาไปสร้างสติไม่ใช่ไม่ใช่หูไปสร้างสติไม่ใช่กายไปสร้างสติสร้างแล้วจึงดูได้ไม่ใช่นะ่ะล่นตาขึ้นก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดมีความรู้สึกตัวขนาดนี้เพราะว่าสติเนะี่ยเป็นอุ ป, ปการะมากเหมือนพ่อเหมือนแม่ เวลาลูกป่วยลูกเจ็บต้องขอร้องไหมแม่ช่วยผมด้วยพ่อช่วยผมด้วยไม่ต้องขอพ่อแม่ก็โดดช่วยทันทีสุดหัวใจสุดพีใหม่คลองรู้สึกตัวเน่ยสติชำระเหมือนพ่อเหมือนแม่ผู้เจ้าจังได้ว่าโอปปกาละคนจะเหมือนพ่อแม่ยิ่งกว่าพ่อแม่พ่อแม่ พ่อล้มหายตายไปแล้วอย่างโลวตาก็พ่อแม่ก็ตายไปแล้วแต่ว่าความรู้สึกความลึกได้นอยู่กับเราทุกกอกาดไมหน้าที่ต้องขาดเขียนเรื่อนี้พวกเราเรเดินจะขาดเขียนได้แต่เรื่อนี้ไปสมควรที่ขาดเขียนเลยให้มั่งมีจ้ะจะจนถ้าจนเร่องนี้ละไมีค่าอะไรชีวิตเรา อะไรที่เรายกขืงไหว้ตัว่างนด้คือเรื่องนีนะ้คือความรู้สึกตัวนะใช่ไหมไม่เชี่น้อยอยาไม่เชื่อเรานะให้อย่าไปับดูอ๋อก็สมควรเจอเวลาฉหรับวันนี้กับพระพอบกัน